สำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระอนาคามีมัตตต่อไปเมื่อคืนนี้ได้พูดถึงพระอนาคามีมัตต์เริ่มต่นใดนิดน้อย ก, ก็จบวันนี้ขอพูดต่อสําหรับพระอนาคามีมัตตนี่ก็มีอาการปุรในการตัดกานมาชันทะ กับตัดพยายามบัตรทุพติคะเรี่องความโกรธความเพยาบาทให้หมดสิ้งไปยิ่งการเจริญอารมณ์ให้เข้าถึงการนาคามีผลหรือว่าการนาคามีมักก็จำที่ต้องรวบรวมกำลังสมาธิจิตให้มีความแก่กล้ามีความทรงตัวมีความเข้มแข็งแต่ได้เราจะกล่าวกันไปว่าทัพปฏิบัติมานาดับ กาจะถึงพระสีธาคารมีอันนาะสมาธิมันก็เริ่มเข้มแข็งแล้วหรืว่าเพราะว่าเราก็ปฏิบัติมาตาบรรดับหมายถึงว่าการที่เป็นพระสีธาคารมีได้นั้นพระสงฆ์ระงับมันเท่าความโลภมันเท่าความโกรธมันเท่าความหลง มีการมันเทาความโลภบเทาความโกรธเทาความหลงได้ก็เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงยังมีอยู่เแต่เรือน้อยเพิ่มขึ้นี่มาถึงพระอนาคามีตอนนี้ถ้ายังไม่ถึงอนาคามีผลก็ไม่จบก็เรียกว่านาคามีมั้งแปลว่าการเดินทางเข้าไปถึงพระอนาคามีผล ส่วนสำคัญอันดับแรกเราจะต้องรวบรวมกาลังสมาธิให้หนักควบกับอารมณ์ของปัจจินนายานคือว์ริยสัตว์นั่นแกีพิจริญ น, นาร่างกายที่ร่ากายกระตายยึดทิศี่เจารณาดูร่างกายประกอบด้วยการสามิบสองมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อ ตกไสใสปอดมุจาระปัสสาวะอาหารใหม่อายเก่าน้ำเลือดนำเหลวน้ำหนองเสมหะน้ำลายเป็นต้นที่เจรนาดูตามความเป็นจริงในด้านสมถะภาวนาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกปรกหรงมันสะอาด ไม่ใช่จะไปนั่งท่องเสศาโลมานาขาทันตาตะจูตะจูทันตานาขาลุมาเกสาอันนี้เป็นเป็นตัวธรรมให้พิพิธมาที่ใช่ใช่ไม่ใช่ักตัดก็มาถ่ายกองนี้กายคจตานุสติก็ดีเรียกว่าอุสติทั้งหกทั้งสิบประการพอดีเอาสุภกรรมถายนั้นสิบประการพอดีเป็นกรรมฐานที่เจรณาน ไม่ใช่มานั่งภาวนาเป็นนกแก้วนกพิณทองทาจิตให้ทรงอารมณ์ว่ามันมีสภาพเป็นอย่างนั้นต่างความจริง <c oughs> คําว่าทรงชาในที่นี้ก็หมายความว่าเห็นว่าร่างกายทั้งหมดมันสุกกระบกไอความรู้สึกว่าสกกรบกนี้ถ้ามันทรงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเวลาหลับตาพิจอราเวลาลืมตาเวลาเดินไปเดินมาทำอะไรอยู่ให้จิตมันจับอารมณ์นี้จนชินอารมณ์ไม่คชาจะจากติตเห็นสัตว์เห็นคนเห็นวัตถุไม่มีอะไรสวยเพราะทุกอย่างมันสุกประกหมด้าดสากไม่ได้ดอกไม้ที่สกปรงอยู่ในป่า ในรสวนมันมีความสีสวยสดงดงามแต่เข้าไปใกล้ไปรูว่ามันมีฝุ่นมีละอองแต่เปื้อนอยู่ด้วยเกาะอยู่ด้วยมันสกปรกคนเลินจัดมีสภาวะต่างๆเต็มบริความสกปรกตัวสกปรกนี้ไม่ต้องอธิบายมาก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 หรือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองถ้ามันหลั่งไหลลงมาเท่ารองเกียรติเพราะมันสกรปรกนี่สภาพอย่างนี้เรามองเห็นชัดอยู่แล้วนอกจากที่ท้งว่าจะเป็นตะเกียงว่าเราไม่สนใจจริงจะไม่เห็นว่ามันสกรปรกคำว่าสนใจนี้ไม่ได้สนใจในกรณีพิเศษ สนใจให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงให้การแสวงหาของจริงนี้ไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากแค่ปัญญามันก็ใช้ได้อุจาระที่ถ่ายออกมามสะอาดทุกส่งผกก็รู้ปัสสาวะที่ถ่ายมาสะอาดทุกส่งรลก็รู้น้ำลายอยู่ในปากอมได้พุนออมามือไม่ปล้าแต่สะอาดทุกส่งผกก็รู้ ร่างกายทั้งตัวเลื้อใจไหลมามาซาท้องส่งตกก็รู้ <c oughs> ในเมื่อรู้แล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้หรือไม่สนใจมันก็เป็นนิสัยของสัตว์ในอบายวะภูมิเาอะไรก็ไม่หมดกิเลกไม่หมดตัณหามีแต่ความพุกตอดการ นีนเรื่องที่เจรจ า, า, าการยกระตันสติโพวกอาสุพัญธยาอสุสัญญยาและอสุปธรรมทานนี้มาทำเดียวกันอสุสัญญ า, า, ญญ า, ก, า, าก็จําจจได้ว่ามันปกปปกที่ตลอดเวลาทุกชิ้นทุกส่วนทุกตัวรางเซนของร่างกายไม่มีจุดไหนที่มีความสะอาก มันมีแต่ความสกปรกโสมมอยู่ตลอดเวลาหาจุดสอาจจริงๆไม่ได้อันนี้มันเป็นเนื้อแท้ของร่างกายจริงๆนี่นั่งคิดนั่งพิจารณาค่อยวนพิจารณาให้เห็นตามความจริงไม่ใช่ไปแกล้งเห็นใ้สัญญาความจำมันต้องจาจำได้ สภาวะที่เป็นคนจะจํา ม, มีเยอะไม่ต้องไป น, นัง่งหาไล่เบียมันมันเป็นของจริงนี่การเจริญการยังกตาลุกติการสุพัญยาในสุภกรรมฐานเขาเจริญแบบนี้นญญด้วยขณะใดที่ยังรู้สึกตัวอยู่เ ร, า ม, รามีความรู้สึกต่างความจริงว่าทุกสิ่งของร่างกายและวัตถุทั้งหมดมันสุกหลบ ถ้าลมทรงอย่างนี้แล้วเห็นร่างกายเราสกปรกร่างกายคนอื่นสกปรกร่างกายสกปรกสัตว์สกปรกว่าทุกธาตาุต่างๆในโลกไม่มีอะไรสะอาดสกปรกทั้งหมดเรานั่งคิดว่าอะไรมันสะอาดบอกเพื่อย่างนี้มีอะไรบ้างที่มันสะอาดสะอาดที่ไม่ต้องชำระล้างเช็ดล้างมันมีไหม มันไม่มีมันไม่ได้สิ่งสกปรกทั้งหมดนี่เราต้องการความสะอาดเราต้องการความสกปรกที่เรามีความรักเรามีความปรารถนาเรามีความต้องการเนื่อแท้จริงๆเราต้องการของสะอาดเราต้องการของสกปรกแต่แต่ว่าเราก็บพบว่าสิ่งสกปรกเข้าเราต้องการไหม อารมณ์ที่ขอเราต้องการก็กนํามาสักหน่อยได้ไหม่ะว่าเองอยากเป็นสัตว์นรกหรือยังไงไม่อยากเป็นเปรตไม่อยากเป็นอสุรกายไม่อยากเป็นสัตว์ปีศานแล้วว่าอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์ของพระอริยเจ้าเป็นอารมณ์ของสัตว์ในใบายภูมมีสัญญา จำได้มีความจำแต่ว่าไม่สร้างความจำให้เกิดมีตาทำเหมือนว่าไม่มีตามีหูทำเหมันว่าไม่มีหูมีจิตสำหรับจะคิดจะจํามันจะไม่รู้จกักคิดไม่รู้จักจําำอาการอย่างนี้มันไม่ใช่อาการของคนหรือว่ามันจะอากอรารเขาถือว่าด่าหรือผมหรือว่าไม่นจะอากอรารเขงพระในเจ้า มันเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นนายการของสัตว์นรกโลกเกิดท่าสุรกายสติเลฉานถามใจมันว่าพอใจที่จะลงนรกไหมที่ยังมัวเมาอยู่ในโลกกายของคนหรสัตว์ความมัวเมาอย่างนี้มาเป็นตันหาเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เป็นปัจจัยเกิดฝ่ายทางความยึดมั่นถือมั่น เมื่อยึดมั่นที่มันเว่างกายเป็นเราเป็นเพราะเราขอสกปรกเ ห, ห็ น, นว่าสะอาดของไม่สวยเห็นว่าสวยของที่มีสภาพที่สุดสมเป็นปกติมองไม่มองเห็นตามความเป็นจริงคิคดว่าม่นมันทรงตัวอาการอย่างนี้มันเป็นสภาวะของจิตที่จะต้องตกเป็นลายใบภูมิเพราวะว่าไม่มีความของใสของจิต ถ้าหลงอยู่ในรูปอย่างนี้ของเลวเห็นว่าเป็นของดีของสะปรกเห็นว่าของสะอาดจิตมันก็เศ้าหมองจิตส้าหมองไปไหนพระพุทธเจ้ารกล่าวว่าจิตเทใสิลิเททุกขติปฏิกังขาเมื่อลมจิตสมองตายแล้วก็ไปอบายะภูมิทาไมจึงว่าสศาหมองเพราะว่าเราคิดว่ามันดี เวลาใหม่ๆมันก็ผ่องใสสดสวยงงามแต่ว่ทา ท, าทาั้งๆที่มันผ่องใสอยู่นั่นแหละมันก็ตัณด์การสกปรกอยู่ตลอดเวลาหาอะไรดีไม่ได้แต่เราไม่มองที่ไม่ใช่ปัญญาคิดนาายอะไรเป็นสาคัญความโง่ไม่ใช่โง่อย่างเดียวบ้าด้วย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 แต่ว่าติดใจว่ามันสะอาดที่ไม่ใช่งโง่คนโง่เป็นคนบ้าเว่าไอ้ของต้กระปกอว่าสะอาดแต่มันคนโง่เขาไม่โกรธคนบ้าเท่านั้นถึงจะโกรธถ้าเราเรามีความบ้าไร้สติสัมผััญญะไม่มองหาตามความเป็นจริงเราก็จงถามมันว่าไปไหนใจมันเศร้าหมองมันก็ยอมยึดถือ เวลามันสุดทรงเข้ามาจริงเราสีได้ยเสียใจเวลาจะพังจะสลายตัวเราเสีได้เสียใจไม่อย่ากลำพังสลายตัวนีกฎธรรมดาของร่างกายมันมีความเกิดขึ้นเรื่องต้นมีความแปรผปลีปยนธรรมดามีการสลายตัวเป็นอันดีสุดนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแต่คนบ้าเนี่ยมิ우กว่าทานยึปมันแบบร่างกายมันจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา จะต้องมีความเปล่งปลัางอยู่ตลอดเวลาจะต้องไม่มีการชุดโสมจะต้องสะอาดตลอดเวลาถ้าความจริงมันสกปรกนี่มันจะทรงตัวได้ไหมมันก็ทรงไม่ได้มันงเคื่อนไปหาความเสื่อมพระเสื่อมกับแก่ขึ้นมาเกิดไม่เสียมบายใจนี่เราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมถ้องเป็นไป โดยกุญงานหูปฝาตาฟางกาลังไม่ดีความจําเสื่อมเลือดร้อนเพราะไม่ยอมรับก็คิดว่ามันจะแก่นักเขานักเข้ า, า, ขามันแก่นานเข้าอาการฉีกเกิดขึ้นเอาแก่ไม่ไป็นไรขออย่าให้ตายก็แล้วกันนี่ยังจะถ่งต่ออีกแล้วร่างกายมันสูงได้ไหมคนกดมันได้มันจะต้องตายแล้วทําไมจะไปห้ามมัน ห้ามันก็ห้ามไม่ได้นี่คนดีแล้วว่าคนโง่เขาไม่คิดอย่างเนี้ยคนดีคิดแบบนี้คนบ้าอย่งนั้นบา้ากินเลสบ้าทันหาบ้าอุจจาราทานบา้าอกุศลหรือบ้าทําในความที่ไม่ดีเอากุศลหรือว่า ค, คิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ตรงตามความเป็นจริงนี่พูดแบบนี้ก็พูดแบบว่าพระพุทธเจ้าบอกอัตนาโจทยัตา น, นัง จงกล่าวโทษโจทย์ความชั่วของตัวไว้เสมอนี่จำเขาไหมนะอย่าให้มีอะไรมปนพลาดของอีกนี่พูดกันทั้งปีในภาสิปุตนี้มองแต่ตัวไม่ต้องมองชาวบ้านให้รู้กฎรู้ละเบียวว่าเราเป็นอะไรเราเป็นสัมมาสัมพุทธสงฆ์ ได้จ no ุนการมันก็ไม่ใช่สมณะแล้วเป็นเป็นสัตนาบาเยคูเราเป็นพระแปลผู้ปฏิเสธิทธิ์เร็ววาจาเร็วใจเร็วมันก็ไม่ใช่พระเป็นสัตนาบาในในร่มนี่สติสาเปชัญญายของเรดีพิจารณาหาความจริงว่าอันนี่มันได้กายมันอาศุกตเป็นสมร พอคิดว่านอกจากจะทุกข์กระหกแล้วมันไม่มีการส่งตัวถ้าเป็นคนก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงมันไม่เชื่องเอา อ, อกเอาใจมันทุกอย่างมันต้องการเที่ยวต้องการเค็มต้องการหวานต้องการเยน็นต้องการอุ่นต้องการเครื่องแต่งกายสวนสดงามหาให้มันทุกอย่างอยากจะอยู่บ้านแบบไหนจะนอนแบบไหนจะกินแบบไหน บริหารกายแบบไหนหายมันทุกอย่างขอไม่ให้มันแก่ขอไม่ให้มันตายขอไม่ให้มันป่วยมันยอมรับทักทีมั้ยมันเชื่อเราหรือเปล่าก็เปล่าไม่มีอะไรที่มันจะเชื่อเรานในเว่าที่ร่างกายที่มันมันเป็นเคพื่อนที่รักของเราเราก็คบไม่ได้จนเลยคบมานานแล้ว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 สามเลี้ยงแล้วมันก็ไม่จำให้มันสรงตัวมันก็ไม่ท่งตัวมันมีการสลายตัวไปในที่สุดนี่ที่เจรนาหาความโปรกปรกจนก็ทังเกิดนิพพทายานต้องทำให้ถึงนะไม่ใช่จะมานั่งฟังเฉย คำวันิี้ปิตายานีมีความเผื่อนไายเห็นแล้วร่างกายสกปรกร่างกายเราร่างกายไทยของอื่นเหมือนกันหมดยาวตาไปติทดที่เครื่องอ้าพรยาวตาไปติดที่แค่ผิวหนงังตาบังไปเจออาพรเครื่องประดับผ้าพรรับรสบายด้วยถ้ามินาาหนังใจเลกดลวงเข้าไปภายในของร่างกาย มองก็ไปหาความจริงความสอาดและสงบตกไเห็นคนเห็นสัตว์ในแบบนี้และก็นึกถึงตัวเองด้วยมันมีสภาพอย่างไงเมื่อจิตใจตรงเห็นเห็นว่ามันในสภาพประกอบกัปกติเห็นคนเหมือนกับสงฆ์จาระเคลื่อนที่นี่ไม่ต้องมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่เป็นั่งภาวนากันนั่งพิจารณา กินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทํางานอยู่มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่แตเวลานั่งหลับตานั่งหลับตานี่ถ้าลมปกติมันไม่ทรงตามนี้เวลาหลับตามันก็ไม่ได้อะไนหลับทรงเด็เมอเดี๋ยวคิดโน่นคิดนีดน่พล่านไปหมดมันจะได้สร้างความยุ่งสร้างความเดือดร้อนนี่ถ้าดีกันเสียหมดคิดอย่างนี้เสียหมด ควบคุมกำลังใจของตัวเองทั้งหมดมันไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสอนอะไรกันม่นมีแต่คนดีทั้งหมดไอ้ที่เลวนั้นแสดงว่าไม่มีไม่มีวิสัยของความความเป็นคนมันมีวิสัยในสัตว์นรกเป็นประจําอ่เมื่อคิดถึงจุดนี้แล้วแล้วก็นํามีพัฒนาญาณตัวตรงขึ้นเข้ามาใช้ ว่าไอ้ความอยากมีร่างกายเราอยากได้ร่างกายของคนอื่นมาประคับประคองการทะนุถนอมร่างกายนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขก็เป็นปัจจัยของความทุกข์มันสุขกับทุกข์ด้วยมันทุกข์ด้วยหันก็ไปจับสกายะเจกายสกายะทิกติกตัวนี้ทั้งพวกกันเลยทัานสมัถามทว่ศาสนาัวพวกท่านบอกแล้วนี่ว่า พระอนาคามีต้องมีอธิจิตตสิกขาอธิจิติสิกขาคืออารมณ์เป็นฌานทรงอารมณ์เห็นสภาวะอย่างนี้ตามความเป็นอยู่จริงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เวลานั่งหลับตาเวลานั่งหลับตาม่ไดะผลอะไรทรงจิตยัวาร่างกายคนและสัตว์สุขพภพเห็นตามความเป็นจริงมันถึงมิตทรงเด็ย แล้วก็มาเป็นนาตำสภาวะของปัจจุบันยานเลร่างกายเราก็ดีร่างกายคนนี้เองพอดีมันสุกตกหลบนาแรงเกียรังเกียรต์จะไม่เช่นรังเกียรติเกียรติไม่จริงจอารมณ์กามันันทักถูกกดลงไปด้วยอำนาจของสมถภาวนาเมื่อนายไม่มีความรู้สิกรักในเพศแต่ระวังตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้น มันโผล่มาได้ตอนนี้ก็ประหัดประหารเรื่องนายของพิชณาใหญ่คือกาศกายเยอิที่เพราะร่างกายนี้นอกจากสุกปกแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรามันเป็นเพียงธาตุสีธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่แสะและสุกปกแล้วไม่มีการทรงตัว มันมีกายเกิดขึ้นในเบื้องต้นแลมีความเสื่อมในทำแกรมมีการสลายตัวไปในสุดมันเป็นปัจจัยของความทุกขุทุกอย่างไม่ได้เคยน้อมความสุขมาให้ใจเราเลยเมื่อมีร่างกายตั้งแต่เกิดถึงวันตายหาความสุขหนึ่งวินาทีไม่ได้มันสร้างสรรค์แต่ความทุกข์ตลอดเวลาฉะนั้นรับการบัตินี้เป็นต้นไปเราจะไม่ต้องการร่างกายแบบนี้อีก จะไม่มัวเมาร่างกายอย่างนี้ต่อไปอาการใดๆที่จะเพิ่งเกิดขึ้นกับร่างกายเราถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่ทาจิตหวัดวันจักรอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่จะเพิ่งเกิดเข้าร่างกายเพื่อมากระทบอารมณ์ใจโดยไม่ไปตามสภาพเจ็บป่วยรักษาเพื่อการมรรเทาเวทนามันหายก็หายมันจะตายก็ช่างมันเปนเรื่องของมัน นี่เป็นว่าถ้าจิตสภาวะอย่างนี้ได้มันจะแก่ก็ช่างมันจะป่วยก็ช่างมันจะตายก็ช่างมันจะเป็นลมเป็นแล้งมียากินก็กินไม่มียากินก็นอนไม่ยุ่งใช้ช่างมันไม่สนใจกับมันอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าสังขารเปิดขาใหญ่แล้วตรงอย่างนี้ให้ได้ดิดขาด โดยไม่มีการากำเริบกลับมาพอใจใรูปสมน้มพันธ์ของเราต้องเขาต่อไปอย่างนี้เทนียว่าถ้า น, นาคามีมรรคเบื้องตนยังไม่หมดมรรคเป็นถา น, นาคามีมรรคเบื้องตนคือตัดการมชันท์ได้ด้วยาการอย่างนี้อย่างนี้ที่พูดเลลวลาจะไปวางทิ้งกันนะพูดปฏิบัติกันอย่าไปรุ่มรา่างเขารุ่มรา่างเขามันจะไม่มีโทษในปัจจุบัน อาเวจีมีที่เป็นที่ไปหรับเราถ้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้างกายให้ตรงทารงจิตให้มันกาหนดรูล้ลงไม่ใจเท่าออกใช้คำบรนณาและพิจารณาตามปติยาสายทึงยท่งกว่าจะดีในสัญญาบอกระริลา